หลังจากที่ได้ปฏิบัติมาสองวันเต็มหลายคนก็ยังรู้สึกว่าความง่วงรุมเร้าอันนี้ก็เป็นรื่องธรรมดานะแต่ที่จริงนะก็น่าคิดนะว่าทั้งๆ ท, ท, ที่การปฏิบัติที่นี่เนี่ยก็เปิดตายกมือเคลื่อนไหวไปมาเดินจงกรมแต่ทําไมบางคนก็ยังรู้สึกง่วงอยู่ทั้งๆ ท, ง ท, งที่นอนก็ได้นอนเต็มที่ อันนี้แสดงว่าความง่วงเป็นเรื่องของใจนี่ยทำไมใจมันถึงชวนให้ง่วงก็เป็นเพราะว่าสิ่งเราที่นี่เนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เมื่อเทียบกับที่ที่เราอยู่ก่อนที่เราจะมาที่นี่เนี่ยเราอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ในเมือง เราเจอสิ่งเราที่หวมกระหนำ่ำตาก็ดีหูก็ดีปากหรือลิ้นก็ดีมากมายทั้งวันเลยอันนี้เราจะไม่สังเกตไอ้สิ่งเราเน่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมทั้งทางใจเนี่ยก่อนที่เราจะมาทีนนี่มันเยอะมากไม่ว่าจะเป็น การกินการทำงานการพูดคุยการเสพสื่อการดูหนังฟังเพลงเสพสิ่งบันเทิงการไปเที่ยวทั้งหมดนี่มันคือสิ่งเราที่ทำให้จิตเราตื่นบางทีตื่นจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย กลางค่ำกลางคืนก็ยังมีสิ่งเร่าพอดูหนังใช้คอมเล่นโทรศัพท์มือถือพูดคุยกันแต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยสิ่งเล่าพวกนี้มันลดน้อยถอยลงไปมากมันก็ยังมีอยู่นะสิ่งเราเนี่ยแต่ว่ามันน้อยเมื่อเทียบกับที่ที่เราจากมาพอสิ่งเรามันน้อยเนี่ยจิตใจเรามันก็เลย พลอยเฉื่อยชาหรือบางทีก็เกิดความง่วงขึ้นมาทันทีผู้อยญ่เนี่คือว่าเป็นเพราะชีวิตที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าจนทั่งเราเนี่ยติดสิ่งเรา้าเสพติดสิ่งเรา้าคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่าตัวเองเนี่ยเสพติดสิ่งเรา้าพอถอนออกมาจากสิ่งเร้าทั้งหลายทั้งปวง มาอยู่ในที่ที่มันไม่ค่อยมีสิ่งเล่าเท่าไหร่เดยเพรา ะ, ะชีวิตของการปฏิบัติที่นี่พูดคุยก็น้อย ค, คุกคีกันก็น้อยนะโทรศัพท์ก็ไม่ได้ใช้หรือว่าจะเดินไปไหนไปหาสิ่งใหม่ๆแปลกหูแปลกตาก็ไม่มีโอกาสได้ทำ ทั้งวันก็อยู่กับอเรื่อยบทเดิมๆให้การที่สิ่งเรามันน้อยเนี่ยมันก็ทําให้ใจเราเนี่ยง่วงซึมได้ง่ายและส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลของการที่เราไม่ได้เสพในสิ่งที่เคยติดมาก่อนเหมือนกับว่าเราคนที่ติดกาแฟเนี่ยอาศัยกาแฟนี่กระตุ้นให้ตื่นวันไหนเนี่ยไม่ได้เสพกาแฟมันจะง่วง เพ อ, อไรพะไม่มีสิ่งเล่าจากกาแฟจากคาเฟอีนอาการง่วงในแง่หนึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความที่เราเคยเสพติดอะไรบางอย่างแล้วพอเราเหินห่างจากสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ง่วงซึมแต่ว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่นานนะเพราะว่าใจเราเนี่ยมันก็จะปรับตัวได้ไอสิ่งที่ หรือสถานที่ที่เราคิดว่ามันไม่มีสิ่งเล้าเท่าไหร่เนี่ยพอเราอยู่ไปสักพักหนึ่งก็จะพบว่าโอ้มันมีสิ่งเล้าอยู่ตลอดเวลาเช่นเสียงนกเสียงมแมลงเสียงลมนะเสียงธรรมชาติพวกนี้ก็สามารถจะปลุกใจกระตุ้นใจเราให้ตื่นขึ้นมาได้แต่นั่นก็คงต้องใช้เวลาสักพัก เพราะฉะนั้นเนี่ยาว่าพวกเราง่วงนะทั้งที่เราก็เปิดตาปฏิบัติทั้งที่เราก็เคลื่อนไหวมือเดินไปเดินมาอาการง่วงเหล่านี้เป็นเพราะเราเคยเสพติดสิ่งเรา้าแล้วพอทอนออกมามันก็เลยรู้สึกง่วงซึมแต่พอทำไปสักพักเนี่ยบางคนจะพบว่ามันเกิดอาการ ตรงกันข้ามคือเกิดความคิดที่ฟุ้งกระจายจากเดิมที่ง่วงนะซึมกลายไปว่ามีความคิดผุดขึ้นมามากมายจนว้าวุ่นวุ่ น, ว, นวายอันนี้ก็ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าจิตคนเราเนี่ยมันต้องการสิ่งเสพสิ่งเราพอไม่มีสิ่งเราทางตาทางหูทางจูทางลิ้น ทางกายเหมือนเคยมันก็จะหาสิ่งเราอีกทางหนึ่งคือสิ่งเราทางใจก็ได้แก่ความคิดในความคิดเนี่ยนะหรือธรรมารมณ์เนี่ยมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้จิตมันตื่นได้เหมือนกันนะมันเป็นอาหารของจิตนะอาหารนี่มันมีทั้งอาหารทางกายนะ เรกว่ากริ่กราหารกับภัสสะัสสาอาหารอาหารคือคำข้าวนี่เป็นเรื่องอาหารของกายแต่อาหารของใจคือผัสสะภัสสะคือการกระทบกระทบทางตาก็เรียกว่าภัสสะกระทบทางหัวก็เรียกว่าผัสสะหรือว่าเกิดการรับรู้ทางใจก็ผัสสะ จิตของคนเรามันต้องการอาหารนะอาหารคือผัสสะอาหารที่เกิดจากสิ่งเราสิ่งกระทบถ้าไม่มีสิ่งเราจากภายนอกมันก็หาสิ่งเราจากภายในคือความคิดเนี่ยมันจะคิดอะไรต่ออะไรมากมายนะเหมือนกับว่าเพื่อปลุกใจให้ตื่นเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาถาว่า พอเรามาปฏิบัติเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยความคิดมันจะเยอะเหลือเกินเรียกว่าฟุ้งมากเลยนะจนบาคงสงสยัยไว้เวลาไม่มาปฏิบัตินี่มันไม่ฟุ้งขนาดนี้ทำไมเวลาปฏิบัติมันฟุ้งมากก็เพราะไม่มีไม่มีอะไรจะมากระตุ้นเราให้จิตมันตื่นเนี่ยแต่ก่อนนี่มันก็มีเพลงฟังมีหนังดูมีงานทำนะมีคนมาพูดคุย จิตมันก็มีงานทำจิตมันก็มีจุดสนใจจิตมันก็มีสิ่งที่กระตุ้นเราพอไม่มีสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องหาเรื่องคิดนะนะเพื่อให้หายง่วงเพื่อให้หายซึมเพื่อให้เกิดความตื่นตัวแต่มันก็ตื่นมากไปจกนกระทั่งหลายคนรู้สึกว่ามันฟุง้งและบางคนถ้าตั้งใจปฏิบัติมากๆนี่ก็จะรู้สึกเป็นทุกข์มากเลยนะกับ ความคิดที่มันฟุ้งเยอะความคิดที่มันเรียร่าเหลือเกินเนี่ยที่จริงถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะไอ้ความคิดเหล่านี้เนี่ยเจยเฉพาเรื่องความฟุ้งเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะมันไม่ใช่ตัวการที่ทําให้เกิดทุกข์ในใจของเราแต่ที่เป็นปัญหาก็เพราะว่าเราอยากจะ บังคับจิตไม่ให้ฟุ้งเรามาที่นี่หลายคนก็เพราะอยากจะหาความสงบอยากจะพบความสงบสงบที่ว่านี่คือความสงบภายในและความสงบที่เข้าใจคือความสงบที่ปราศจากความคิดคาดหวังว่ามาปฏิบัติแล้วความคิดมันจะลดลงจนกระทั่งนิ่งสงบแต่พอมันมีความคิด พุ่งออกมามากมายเนี่ยก็เลยเกิดความผิดหวังเกิดความไม่พอใจนะถา้าว่ารู้สึกแบบนี้ก็คอยเข้าใจว่าเป็นเพราะความคาดหวังของเราเราคาดหวังหรือปรารถนาจะให้จิตมันสงบไม่มีความคิดพอมีความคิดผุดขึ้นมาในใจมากมายเนี่ย เราก็เลยทุกข์นะอย่างที่เราสวทุกเช้าเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์มันก็เหมือนกับเวลาเราเดินทางแล้วเราเจอรถติดเนี่ยแล้วเราหงุดหงิดเนี่ยไอ้ที่เราหงุดหงิดเนี่ยไม่ใช่เพราะรถติดนะรถติดไม่ได้ทำให้เราหงุดหงิดไอ้ตัวการที่ทำให้เราหงุดหงิดจริงๆคือความคิดความคาดหวังอยากจะให้ถึงที่หมายไว้ ไอ้ความใหญ่ถึงที่หมายไว้นี่แหละนะที่มันเป็นตัวการที่ทําให้เราเกิดความหงุดหงิดเมื่อเจอรถติดในทางเดีวยวกันความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็มันไม่ได้เป็นตัวการที่ทําให้เราทุกข์หรือหงุดหงิดแต่เป็นพ่อความคาดหวังให้จิตสงบปรารถนาให้ใจไม่มีความคิด พอใจไม่เป็นใจอย่างที่เราปรารถนาก็เลยเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจหรือผู้ใหญ่ก็คือความรู้สึกลบต่อความคิดฟุ้งซ่านถ้าเรารู้สึกเฉยเฉยกับมันนะมันในความหงุดหงิดความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้ยาก ที่เราต้องวางจิตวางใจเท่าไหม่วางท่าทีเสือใหม่นะว่าในการมาปฏิบัติที่นี่เนี่ยความคิดที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหามันไม่ได้เป็นเหตุแหงทุกข์อย่างที่บอกไว้เมื่อวานเนี่ยความคิดเนี่ยไม่ได้ทำให้เราทุกข์ แต่การไม่รู้ทันความคิดต่างหากหรือการที่จิตรู้สึกลบพยายามผลักสายกดข่มความคิดนี่แหละที่มันทำให้ทุกข์จนบางคนนี่โนะมโหตัวเองว่ามันคิดมากเหลือเกินคิดมากคิดมากเหลือเกินเอาหัวโคกพื้นเอารองเท้าแตะฟาดหัวบางทีก็เอามือทุบหน้าอกแบบนี้ก็มีนะ นั่นวางจิตวางใจสมัยนะว่าเออความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันธรรมดาและยิ่งเรามาปฏิบัติเนี่ยก็ต้องต้องความเข้าใจให้ถูกว่าเราไม่ปฏิเราไมไ่มาปฏิบัติเพื่อดับความคิดนะเราไม่มาปฏิบัติเพื่อบังคับจิตไม่ให้คิดเราไม่ได้มาปฏิบตับบ ต, บติเพื่อหยุดคิดนะที่จริงตรงข้ามเลยนะ ในการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยเราอนุญาให้ใจมันคิดได้มันจะคิดอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ห้ามมันหลวงพ่อเทียนน่าก็สอนที่สามว่าอย่าไปห้ามความคิดนะอย่าไปห้ามความคิดอย่าไปบังคับจิตไม่ให้คิดเพราะยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์เลย์อย่างหนึ่งความคิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็มี ประโยชน์เหมือนกันนะมันเป็นแบบฝึกหัดให้ใจเนี่ยมีสติรู้ทันสติทำหน้าที่รู้ทันความคิด น, นี่เป็นหน้าที่หนึ่งของสตินอกจากความระลึกได้แล้วเนี่ยมันก็ยังรู้ทันหรือเห็นความคิดเราต้องมารฝึกสติให้รู้ทันความคิดได้ไวเห็นความคิดได้เร็วจะฝึกได้อย่างไรก็ต้องฝึกต่อเมื่อมีความคิดเกิดขึ้น ความคิดเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนการบ้านให้สติได้ฝึกฝึกให้รู้ทันความคิดไวๆฝึกให้เห็นความคิดเร็วๆนะเพราะนั่นเนี่ยนี่ถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็จะตอนหนักเลยนะว่าเราเราจะไม่ได้บังคับจิตให้หยุดคิดนะเราจะไม่บังคับจิตให้นิ่ง เราให้จิตนะเป็นอย่างที่เขาเป็นจะคิดก็คิดไปนะแต่หน้าที่ของเราคือฝึกจิตให้รู้ทันความคิดจากคนนี้พอบางคนเนี่ยพอเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยก็พยายามจที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้รู้ทันความคิดได้ไวๆและวิธีการนึงก็คือไปดักจ้องความคิดดักจ้องจิตว่าพอมีความคิดโผล่ขึ้นมา ก็จะไปะจัดการกับมันเลยจัดการในที่ว่านี่นะมันก็มีทั้งกดข่มมันไปเบรกมันไปห้ามมันหรือว่าจะได้รู้ทันไวๆจะได้เห็นมันเร็วๆอันนี้ก็ก็ทำให้เครียดหรือทำให้ทุกข์ได้เหมือนกันนะเพราะว่าการรู้ทันความคิดเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะบังคับจิต ให้ทำอย่างนั้นได้ไอการรู้ทันความคิดหรือการรู้สึกตัวว่าเผลอคิดเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นเองนะเวลาเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราเกิดนึกขึ้นมาได้ว่าเรานัดเพื่อนเอาไว้นะเมื่อสิบนาทีที่แล้ว หรือว่าเรานึกขึ้นมาได้ว่านะตอนนี้ได้เวลาทำวัดแล้วหรือว่าขาณะที่เราสวดมนต์เราใจเราลอยแล้วอยู่ๆเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรากลาลังสวดมนต์อยู่หรือว่าขาณะที่กลาลังฟังธรรมวใจเราคิดถึงบ้านคิดถึงงานการคิดถึงแผนจะไปเที่ยวนะปีใหม่นี้แล้วอยู่ดีมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรากลาลังนั่งฟัง คำบรรยายไอ้ที่นึกขึ้นมาได้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยถามว่ามันจงใจไหมมันไ ม, ม่มันไม่มีการจงใจนะมันคิดขึ้นมาได้เองมันระ ล, ลึกขึ้นมาได้เองมันไม่มีวิธีการอะไรที่จะทำให้ลึกขึ้นมาได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นเองในการเจริญสติ รู้ทันความคิดหรือว่ารู้สึกตัวว่าเผลอคิดไปรวมทั้งเราลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยก็เหมือนกันนะมันเกิดขึ้นเองขณะที่เราเดินจงกลมเดินกลับไปกลับมาใจเราลอยไปโน่นลอยไปนี่สักพักเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรากลาลังเดินจงกลมอยู่อันนี้มันเกิดขึ้นเอง แต่ที่เรากำลังสร้างจังหวะเราใจลอยคิดโน่นคิดนี่จนกระทั่งไม่รู้ว่ากำลังยกมือทั้งที่ยกแล้วยกอีกแต่ไม่รู้สึกเลยจู่ๆมันนึกขึ้นมาได้ว่าเออนี่เรากาลังยกมือนะอันนี้คือการรู้เองหรือเลิกราลิกขึ้นมาได้เองมันไม่มีการจงใจนะแต่มันเกิดจากการที่สติเขาทางานของเขาเอง ที่เรามาปฏิบัติกันก็ตรงนี้แหละก็เพื่อสติเขาทำงานขงเขาเองเราต้องวางใจให้สติเขาทำงานนะอย่าไปทำงานแทนเขานะเพราะถ้าเราไปทำงานแทนเขาด้วยการไปดักจ้องความคิดนะเราก็จะเครียดแล้วสติเราก็จะไม่เติบโตแต่ว่ามันก็ยากนะเพราะเวลาเราทำอะไรเนี่ยเรามักจะชอบควบคุมบังคับบงการนะ บงการจิตบงการใจนะบงการลูกน้องบงการลูกนะเราชอบจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างพอจะมาฝึกจิตจเจริญสติแล้วก็พยายามบงการนะเพื่อให้มีสติรู้ทันไวๆอันนั้นจะทำให้เราผิดหวังจะทำให้การปฏิบัติเนิ่นช้า ต้องยอมไม่สติก็ทำงานเราอย่าไปทำงานแทนเขาอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อกเราให้ลูกทำความสะอาดบ้านล้างจานแต่ลูกทำงานไม่ดีเลยเราก็เลยทำซะเองมันก็ทำได้เร็วแต่ลูกก็ไม่ได้เรียนรู้เลยเราก็ต้องยอมให้ลูกทำนะล้างจานกวาดบ้าน อาจจะไม่สะอาดแต่ว่าถ้าเราให้โอกาสก็ทํำบ่อยๆมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆสติเหมือนกันนะต้องให้โอกาสเขาได้ทํางานให้โอกาสเขาได้ทํางานให้โอกาสเขาได้มาฝึกรู้ทันความคิดและอารมณ์แล้วต่อไปสติก็จะทำงานได้ไวขึ้นนะแต่ก่อนเนี่ยคิดไป10เรื่องหนึ่งค่อยมารู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ กำลังเดินจงกรมอยู่กำลังสร้างจังหวะอยู่แต่ตอนหลังคิดไปได้ทั้งเจ็ดแปดเรื่องก็รู้แล้วตอนหลังคิดไปได้สี่ห้าเรื่องก็รู้แล้วมันจะรู้ทันได้ไวขึ้นไวขึ้น <Yeah. S 1> และการรู้ทันเนี่ยเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติ <Yeah. S 1> จตมันจะไปไหนก็ตามอันนั้นก็ช่างมันแต่ว่าคอยกลับมาไวๆหลวงพ่อเขียนท่านบอกว่าเนี่ยมันเก่งตรงที่กลับมานะ การปฏิบัติส่วนใหญ่ไปบงปเน้นที่ไม่ให้จิตไปโน่นไปนี่อยู่มาคับจิตให้นิ่งผูกจิตไว้กับคําบริกรรมแต่ว่าการปฏิบัติที่นี่เนี่ยเราไม่ได้วัดตรงที่ว่าจิตไปหรือไม่แต่วัดตรงว่าจิตมันกลับมาได้เร็วไหมกลับมาไวๆแล้วถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราปฏิบัติถูกวิธีเนี่ยสุดท้ายเราก็จะพบว่า ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะมีสิ่งเร่าอะไรก็ตามนะอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรเรามีปฏิกิริยากับมันอย่างไรนะมีคนที่เขาหลังจากที่มาปฏิบัติที่นี่นะห้าวันพอกลับไปทํางานตัวเ้าเองเนี่ยมีอาชีพให้บริการเช่ารถแท็กซี่ แต่ก่อนเนี่ยรถแท็กซี่ที่มาเช่าแท็กซี่ที่มาเช่ารถของเขาเนี่ยก็มักจะมีข้ออ้างว่าไม่มีเงินจ่ายค่ารถไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเขาเจอแบบนี้เขาก็จะโกรธก็จะโมโหเขาก็จะราคาญก็จะหงุดหงิดแต่พอปฏิบัติจากที่นี่ไปพอกลับไปที่กลับไปที่บ้านเจอแท็กซี่นะ มาบอกว่าไม่มีเงินจ่ายค่ารถไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบอกว่าเขาไม่รู้สึกโกรธเลยนะจนตัวเองแปลกเจ้าทำไมไม่โกรธแล่ตะกอนนี่โรกรธตะกอนนี่หงุดหงิดตะกอเอาคิดว่าเนี่ยถ้ามีแท็กซี่มาเนี่ยพูดแบบนี้เขาจะโกรธแต่ก็พบ ว, ว่าเจอแท็กซี่มาพูดแบบนี้เขาไม่โกรธก็ได้สิ่งเราเนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเราจะทำให้เป็นทุกข์มันอยู่ที่ความรู้สึก ข, ของเราต่อสิ่งเราต่อสิ่งกระทบนะไม่ใช่ว่าพอแท็กซี่มาพูดแบบนี้ก็จะต้องโกรธไปต้องหงุดหงิดแท็กซี่มาพูดแบบนี้แต่ใจไม่หงุดหงิดไม่โกรธก็ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเรามีสติไหมไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยจะโกรธก็แต่เมื่อถูกด่าถูกด่าไม่แล้วก็จะโกรธมื่นั้น แต่บางคนถูกด่าเขาก็ไม่โกรธเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรมากระทบเราแต่มีที่ว่าเรารู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรหรือเราปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรตรงนี้ต่างหากที่เป็นตัวที่จะบ่งชี้หรือกำหนดว่าเราจะสุขหรือเราจะทุกข์ให้การเจริญสติมันทาให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นอิสระจากสิ่งเล่าสิ่งกระทบได้ เจอสิ่งกระทบสิ่งเราแต่ถ้าเราไม่เอาด้วยก็ไม่ทุกนะนะแต่ที่เราทุกเพราะเราเอาด้วยไงเช่นเขาด่ามาเราโกรธไปเงี้ยหรือว่าเขาด่ามาแล้วก็ไปเอาจริงเอาจังกับคพูดของเขาก็เลยโกรธอันนี้แหละว่าเจอสิ่งเราแล้วก็เอาด้วยนะหรือว่าแท็กซี่มาพูดแบบนี้ก็เลยโมโห แต่ที่ยังไม่ใช่นะสิ่งเล่าเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่เอาด้วยและต่อไปก็จะพบว่ามันไม่ใช่สิ่งเล่าที่มาจากภายนอกเช่นคําพูดหรือการกระทํำของคนนั้นคนนี้ไม่ได้สิ่งเล่าภายในเนี่ยเช่นความหงุดหงิดความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นและใจไม่ทุกข์ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราเห็นมัน เช่นเดวกันความคิดเนี่ยนะซึ่งอาจจะเคยทำให้เราหงุดหงิดนะเพราะคิดลบคิดร้ายหรือชอบนึกถึงเรื่องเก่าๆที่ทำให้เจ็บปวดหลายคนคิดว่าเนี่ยคิดเมื่อไหร่ก็ทุก์มันนั้นมันไม่ใช่นะคิดแล้วเนี่ยไม่ทุกข์ก็ได้นะถ้าว่ามีสติเห็นมัน มีความโกรธเกิดขึ้นแล้วไม่ทุกข์ก็ได้นะถ้าหากว่ามีสติเห็นมันเห็นความโกรธรู้ทันมันนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะพบได้จากการเจริญสตินั่นคือการที่ตระหนักว่าไม่ว่าจะมีสิ่งกระทบหรือสิ่งราวจากภายนอกหรือภายในนะแต่ใจเราไม่ทุกข์ก็ได้ เรารามีสติมปนเคื่อรักษาใจอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อควบคุมความคิดแต่เราปฏิบัติเพื่อไม่ให้ความคิดมาควบคุมเราถ้าเราปฏิบัติเพื่อควบคุมความคิดก็จะพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดฝึกจิตให้มันนิ่งเอาไว้แต่ถ้าเราปฏิบัติเพื่อไม่ให้จิตมาควบไม่ให้ความคิดมาควบคุมเราก็หมายความว่ามีความคิดเกิดขึ้นก็ได้แต่มันทําอะไรเราไม่ได้ ทำอะไรใจไม่ได้เพราะใจมีสติเป็นเครื่องป้องกันและหน้าที่ของสติที่จะป้องกันใจไม่ให้ทุกก็คือการรู้ทันเห็นทันรู้ทันหรือเห็นมันได้ไวๆนะจกนกทั่งไม่ไม่ปล่อยให้มันเข้ามาบงการบงการจิตใจ